หากเรามีสติและหมั่นบริหารชีวิตให้ดีความเจ็บไข้ได้ป่วย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 ทุกครั้งที่ผมมาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะนำเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เอามาเผื่อแผ่แบ่งปันในการให้แง่คิดให้กำลังใจให้ที่พึ่งซึ่งเราสามารถที่จะนำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันอันนี้ถือว่าเป็น สิ่งที่มีสาระเป็นประโยชน์คือฟังแล้วได้แง่คิดแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติผลออกมาก็คือความหมดปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเช่นเรื่องการเจริญสติเนี่ยผมถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยซึ่งทุกท่านเนี่ยจะต้องพลาดไม่ได้พลาดอย่างอื่นพลาดได้นะแต่พลาด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 ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็ต้องมัดเจริญสติกันผู้ที่เจริญสติอยู่เนืองเนืองเนี่ยจะสามารถเอาชนะทุกทางด้านร่างกายได้นะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ่บางทีมันหายด้วยการเจริญสติโรคไมเกรนปวดศีรษะนอนไม่หลับโรคกระเพาะอาหารโรคความดันโรคหวัวใจแม้กระทั่งโรคมะเร็งสามารถ ทำให้หายได้เมื่อเราจเจริญสติเนะี่ก็มีตัวอย่างมากมายอั น, นี้คือด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจเนี่ยเรามีสติอยู่หนึ่งเนียงเนี่ยจิตใจเราเนี่ยที่มันฟุ้งซ่านไป็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะสงบลงได้นะทาให้จิตสงบได้ให้จิตเป็นปกติได้เป็นคนที่ไม่ขี้หลงขี้ลืมสติทําให้เราจําอะไรได้ง่ายๆจําจแม่น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 หลายอย่างคุณจะทำทั้งหลายเนี่ยมาจากการเจริญสติทั้งนั้นแหละถ้าเจรณนายนผลแล้วก็มีมากมายอันนี้ถืว่าเป็นที่พึ่งของเราได้แต่เรื่องการเจริญสติเนี่ยเราจะอ้อนวอนเอาขอเอาจาคลายนี้ไม่ได้หรอกเราต้องทำด้วยตัวของเราเองด้วยฝีม้ลาลายมือของเราเองเพราะมันมีอยู่แล้วในตัวเราแต่ว่ามันยังน้อยหน่อยยังไม่ค่อยเพียงพอเราจรึงต้องเจริญให้มันมากขึข้นเอาไว้ทาให้มากข้าไว้ คือการทําความรู้สึกตัวเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราทําได้สติทําเมืเราอยู่กับปัจจุบันนะเราก็ทําไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวผิดการเจริญสติเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะผิดถูกนี่เป็นเพียงสมมุติแต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวผิดมันไม่มีหลอกผิดไม่มีหลอกถูกมีแต่รู้ทันหรือไม่ทันเท่านั้นนะสรุปลงที่รู้กับหลง ถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วก็เราหลงก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็กลับมารู้ตัวนั้นมีตัวรู้กับตัวหลงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันครองจิตครองใจเราอยู่ดูซิว่าอะไรมันมากกว่ากันแต่ละวันเราก็ไม่ต้องไปขับไล่ตัวหลงหรอกเราเพียงแต่สร้างตัวรู้ขึ้นมาโดยการเจริญตัวรู้ด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละมันก็จะทำลายตัวหลงไปเองมันอย่างกับว่าความสว่างมา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 จากเนื้อจากตัวของเราเนี่ยจากกายจากจิตของเราเนี่ยอย่าไปกังวลเกี่ยวกับตำราจิตเรามันจะไม่ปกตินะมันจะฟุง้งซ่านจะสงสัยยิ่งอ่านตำรายิ่งสงสัยนะเพราะนั้นยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ปัจจุบั น, นแต่ถ้าเราละลึกรู้ลงไปที่กายที่มันเคลื่อนไห ว, วนี่แหละหรือรู้ลงไปที่จิต ท, ที่ใจของเราเนี่ยในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เป็นปกติเนี่ยก็ถูกต้องแล้วรู้กายรู้จิต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 นอกเหนือสมมติไปล้เป็นตัวปรมัต ธ, ธรรมการรู้กายเนี่ยดีร้ายยัาษ์ทำให้ชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันเรื่องของกายเนี่ยเราสังเกตดูบ่อยๆมันจะเป็นปัจจุบันมากตามรู้ตามดูกายคือเคลื่อนไวในเรียบทน้อยใหญ่ชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันพอเคลื่อนปั๊บรู้ได้ทันทีเลยเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นได้มากจิตที่รู้กายอยู่เหนือง จิตจะตั้งมัน่นสติจะตั้งมั่นได้นานเมื่อหลุดไปก็กลับมารู้เนี่ยเผลอไปเรากลับมารู้มันตั้งมั่นได้นานจะไม่ลงไปนานเราจะเห็นทุกข์ได้ง่ายๆเห็นทุกข์ที่กายเขาแสดงออกมาเนี่ยง่ายชัดเจนเราอยากเห็นธรรมเนี่ยเราก็ต้องเห็นทุกข์ที่กายเรานะกายแสดงความทุกข์มากมายถ้าเฉลยได้เราก็จะไม่เข้าใจเราลองสังเกตดูก่อน เรื่องของกายเนี่ยเป็นเรื่องของทุกข์ถ้ามีกายก็อย่าหมายว่ามีสุขนะกายไม่มีสุขหรอกมีแต่ทุกข์ตลอดสายเกิดเกิดก ด, ดับๆั บ, บเรื่องของทุกข์ในกายแต่อย่าเข้าไปเป็นนะเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ไว้เฉยๆถ้าเราตามรู้กายไป น, นานๆนี่มันจะเห็นรูปเห็นนามนะอารมณ์รูปนามนจะเกิดชัดที่เรามารู้กายตามรู้กายเช่นเนี่ยที่เรากาลังเคลื่อนไหวเมื่อกี้เนี่ยเราลองเคลื่อนไหวดู ที่มันกาลังเคลื่อนเคลื่อนไวๆอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรูปพอคิดนึกไปทางโน้นอันนั้นเป็นนามเห็นรูปเห็นนามจิตที่เป็นผู้รู้นี่ก็เป็นนามมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นตัวเราสมมุติว่าตัวเราแต่ถ้าเป็นรูปนามแล้วก็อันนี้เป็นตัวปรมัตธรรมเป็นตัวจริงที่ไม่มีชื่อมีแต่ความรู้สึกเข้าไปสัมผัสแล้วก็สมมุติว่าเป็นรูปเป็นนามเมื่อเราตามรู้กายรู้รูปไปนานๆ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 เราไปเก็บเอาทุกมาทับถมในปัจจุบันเนี่ยอุปมาไม่อย่างการว่าเดี๋ยวเนี้โอ้เรามีขยะมากอยู่แล้วในบ้านเราขยะเต็มไปหมดเลยยังไม่เพียงพอยากเอาขยะเมื่อวานเนี่ยมารวมกันอีกขยะก็กองโตในบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นให้มีสติเอาไว้ขยะเมื่อวานาก็แยกออกไปขยะวันนี้ก็อยากออกไปยนนยก อ, อกไปย่ามารวมกันโดยเฉพาะเรื่องความคิดเนี่ยเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป ถ้าจะคิดก็คิดเอามาเป็นครูสอนจิตสนใจเราให้อยู่กับปัจจุบันก็ไว้เรื่องของอนาคตเนี่ยงทีต้องวางไว้ก่อนนะเมื่อถึงอนาคตจริงๆเนี่ยเราค่อยแก้ปัญหากันบางทีต้องวางไว้ก่อนถ้ามันยังแก้ไขาไม่ได้แต่เราสามารถวางแผนได้การเจริญสติเนี่ยทำให้เรารู้กับปัจจุบันรู้ความคิดรู้จิตเริ่มจากการรู้กายรู้กายเคลื่อนไหวแต่ว่าสามารถเห็นจิตที่มันคิดได้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 ดูอยู่หางแบบจำเรียงจำเรือ ง, องดูแบบสังเกตคืออย่าดูเต็มร้อยเราจะได้ไม่เข้าไปรวมกับความคิดดูเรื่อยๆบางทีมันคิดรู้มันคิดก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปบางทีเราต้องการความสงบพอะจะรสติไปเนี่ยอยากได้ความสงบพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่ชอบใจแล้วโกรธแล้วเผลอคิดแต่เรารู้ไม่เป็นไรถ้าเผลอโกรธต่อจากความคิด ถ้าเราไม่รู้แล้วก็เราพลาดละเพราะว่าเผลอโกรธเนี่ยปัจจุบันกว่าเผลอคิดเข้าใจไหมตอนแรกพอมันคิดปับ๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันคิดแล้วไม่ชอบใจเกิดความกลัวขึ้นมาต้องมีสติรู้ต่อด้วยอ๋อนี่มันโกรธแล้วอันเนี้ยเพราะว่าอารมณ์เผลอโกรธเนี่ยปัจจุบันกว่าบางท่านนี่จเจริญสติไปเจอความสงบอ๋อรู้ว่ามันสงบแต่ว่าจิตปีติยินดีในความสงบ รู้ไม่ทันโอ้เราสงบแล้วเผลอไปเลยสงบรู้แต่พอเกิดความยินดีไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเราต้องรู้ให้ต่อนเนื่องสงบก็รู้จิตที่มันยินดีก็รู้รู้ให้ต่อนเนื่องไปจะได้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆสําคัญมากเวลาจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยรู้ให้ทันว่าเรามักจะมีทีท่าอะไรกับความคิดนั้นเพราะคนเราเนี่ยเวลาเจอปัญหาปับ๊บ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 อยู่ด้วยการเจริญสติอยู่เนืองเ น, องเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีและก็มีความสุขเพราะนั้นหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนั้นไม่ยากจเจริญสติอยู่เนืองเถอะมีความสุขความทุกข์ก็จะหายไป